ليذي ب ه و الأهل التي عندهم ي ق ُ و ن قلسيه في الأرض. อัล ا ل ฮ์อัลลอ نا อัลลอ ا ل อัลลอฮ์อั وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم ب ك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بك لِمَاتِ اللهِ تَمَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خ َ ل َ ق بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ س ْ م ِ ه ِ شَيْءٌ فِي ا ل ْ أ َ ر ْ ض و ل ا ف ي ا ل س م ا ء و ه س م ي ع ا ل ع ل ي م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 س ب ح ا ل ل ه ح و و i ي ن ة ع ر ش م ا ر ل ه ا ل م ا ل พี่น้องที่ร่วมนมาสบที่มัสยิดของอัลล์ที่รักังหลายบและพี่น้องที่ติดตามนะครับที่นั่งอยู่ที่บ้านของท่านอัลฮะมดุลิลลา ด้ว่ความเมตตาของ Allah Subhanahu wa Taala นะครับที่ Allah เนี่ยได้ประทานอัลกุรอานลงมาผ่านท่านยิบรีลมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลลอฮิวะสัลลัมให้เป็นทางนำสำหรับชีวิตฉะนั้น Allah จะกล่าวในคัมภีร์คุณอ่านบอกว่าวามันอาอฺรอฎอนซิกรีฟาอินน่ละหุมาอิชาตันดงกะ อัลลอฮฺประทานอัลกุรอานลงมาแล้วใครที่หันหลังให้กับอัลกุรอานหันหลังนี่มีความหมายหลายความหมายหนึ่งไม่อ่านกุรอานเลยสองไม่หาความรู้จะกอัลกุรอานอัลลอฮฺพี่น้องกุรอานอยู่ในบ้านเรานี่แหละแต่ไม่ได้อ่านสาอ่านแล้วแต่ไม่รู้ว่าอัลลอฮฺเนี่ยให้อะไรอัลลอฮฺสอนอะไรอัลลอฮฺเตือนอะไร อ่านแค่อะไรนะแค่เอาเอาบุญละบุญอย่างเดียวแต่ไม่เคยหาความรู้จากคุรานเลยนี่อัลลอฮ์ก็ตําหนียนะฉะนั้นในกุรานเรื่อนี้นะมีแต่ความรู้ทั้งนั้นเลย ม, คมีความรู้ความรู้ความรู้ความรู้ที่สะอาดด้วยเพราะอะไรเพราะเป็นวาฮีที่มาจากอัลลอฮ์สุบฮานาหูปาตาแล้ว ว่มันอ้ราอกอันที่ใครที่หาหลังให้กับการรำลึกถึงฉันฟาอินนาลาหูมาอีซา ต, าตันดองกาชีวิตนี่อัลลอฮ์พูดเลยนะชีวิตของการเป็นอยู่ของคุณเนี่ยอึดอัดชีวิตอึดอัดครับเขาอึดอัดอธิบายยังไงเขาบอกเหมือนกับเราเนี่ยขึ้นไปบนท้องฟ้านี่แหละนี่อัลลอฮ์สอนนะสอนนักวิทยาศาสตร์ด้วยขึ้นไปท้องฟ้านี่มันอึดอัด ยิ่งขึ้นสูงไปสูงไปสูงไ ป, งไปอากาศมันน้อยปะอากาศน้อยก็หายใจไม่ค่อยออกนั่นเรื่องหนึง่งอีกเรื่องหนึง่งคนที่หันหลังให้กับอัลกุรอานไม่สนใจอัลกุรอานความรู้จากกุรอานเนี่ยพอไปเจอกุราอา น, น, นสอนนุ้นสอนนี้รับไม่ได้มันอึดอัดเพราะเราได้ยินบ่อยๆเนี่ยโอ้โหหลักการอิสลามนี่ห้ามนุนห้ามนี่ห้ามนี้ห้ามัานโอโ้โหล ไม่เอาเลยไม่เอาปฏิเสธอิสลามนี่ชีวิตเป็นอย่างนี้ครับอาทีนี้ในทับสิทบางท่านอธิบายบอกว่าอึดอัดในกูโบเอาใครลงไม่เอาไม่ไอ้ไม่เอาอิสลามนะไม่อ่านกุรานไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอาระซูลตอนตายนี่ลำบากหมดเลยอ่ะแต่บนดุนยานี่อัลลอฮ์ให้สังงางงะไหมล่ะสังงงามขาดขวางอัลอิสลามขาดขวามอัลกุราน ขัดขวางสุนหน้านบีอัลลอฮ์มันจะส่งอะไรก็เอาไม้หน้าสามมาไล่ตีนะเปล่านะขัดขวางตลอดเวลาแล้วก็มีความสุขกับการขัดขวางอิสลามนะมีความสุขด้วยนี่อัลลอฮ์ให้อ่ะ ใ, ให้กี่โลกให้โลกเดียวโลกดุนยาไปนี้แหละนะครับอาทิตย์นี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราอ่านว่าไงนะเราไปพบกุนอ่านที่บอกว่า อัลลอฮุลเลาะีคอยรักอกรุ่มอัลลอฮ์ไปพู้สร้างสูญเจ้ามาไม่จะสร้างอย่างนั้นแล้วก็ปล่อยทิ้งนะซุมมาเราออกรุ่มแล้วก็ประทานเครื่องยังชีพให้อีกเครื่องยังชีพเนี่ยอธิบายได้เยอะอาการก็เป็นนี่ออกซิเจนนี่เป็นเครื่องยังชีพความรู้เป็นเครื่องยังชีพรีสกีเป็นเครื่องยังชีพอัลลอฮฺอักบารมาอธิบายได้เยอะมาก ซุมมายุฮ่ ม, มยูมีดกลุ่มแล้วให้คุณตายนี่ตายครั้งครั้งคงที่สองแล้วนะซุมมายุฮิซุ่มแล้วก็ให้คุณมีชีวิตชีวาฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นครั้งที่สองความมุสลิมหลายคนเนี่ยถ้าอ่านกุณอ่านเขารู้ว่าตายกี่ครั้งนะคนเนี่ยต้องเกิดสองครั้งแล้วก็ตายสองครั้งแต่ถ้าไม่อ่านกุณอ่านเนี่ยตายกี่ครั้ง ครั้งเดียวแล้วก็เกิดครั้งเดียวเห็นยังพรอคุณอนานเนื้สอนอ่ะเอ็งมันจะเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวนะเกิดสองครั้งแล้วก็ตายสองครั้งคนกาเฟตัวเปิดเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวพอไปถึงวันกิยามาวันฟุ้นคืนชื่อมีวันฟุ้นคืนชี่เนี่ยขอขอมาสอนเราอันเราจ่าขอสามเถอน้อยเนี่ยอัลเรากับตัวไม่ทัน เราอาประกุลอาฉันให้มาแล้วทาไมไม่อายล่ะหน้าแตกเลยทีนี้อ่ทีนี้มีอีกอายาหนึ่งที่ผ่านมาก็คือว่าริบา์เนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยใครที่อยู่อยู่กับดอกเบี้ยนี่นะไม่เจริญนะมีตะตกตำ่ำตกตำ่ำตกตำ่ตกตำเขาอธิบายยังไงมาเหมือนกับเราเห็นคนคนหนึ่งเนี่ยมันบวมอยู่ใช่ไหมล่ะ แขนบวมขาบวมหน้าบวมเราเน้ว่าเขาเขาอ้วนแต่ที่ไหนได้เป็นโรคจากนั้นได้รับเงินดอกเบีย้ยมานี่สาสาว่ามันจะโหร่ำรวยนะแต่นั่นคือบวมแบบไรนะแบบเป็นโรคพอตายดูสิโลโทรมานทีนี้อัลลอก็อธิบายต่อไปอีกคนที่จ่ายสกาดทาสอดอกก็ทําฮดียะ ทำหัวก้ฟนี่นะเป็นอามันติซอรแรทั้งหมดนี่นะมองดูเนี่ยโอ้โหเองแย่เลยเขาอธิบายยังไงเหมือนกับทานอะไรนะกินยาถ่ายล่างท้องตัวเองล่างลำไส้มันถ่ายถายถายถ่า ย, า ย, า ย, ายแล้วสาวมันจะแย่แต่พอหายแล้วเป็นยังไงแข็งแรงนี่อุลมะมาอธิบายดีมากเลยแลวทำดีเลเลยอีกเรื่องหนึง่งการให้ของคนนี่นะ ให้ให้ให้ให้เนี่ยแม้แต่ยิ้มแม้แต่ยิ้มอย่างเดียวแเราก็ให้สาลามก็มีบอร์กาศแล้วจะในอิสลามส่งเสริมให้ให้อ่ะพอให้ไปให้ไปเนี่ยนะคนให้เนี่ยเวลาให้ปั๊บเนี่ยให้หวังความดีจากใครจากอัลลอฮ์องเดียวพอส่วนคนที่ถูกให้เนี่ยต้องนึกเวลาก็เอาของมาให้เราถึงบ้านเนี่ยโอ้เราต้องวางแผนต่อไปว่า จะตอบแทนบุญคุณเขาอย่างไรนี่นบีสอนมาใช่รับอย่างเดียวถ้าไอตอนรับมาแล้วก็ทําอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องบอกกัได้นะอลัลลอฮฺมาบาริกละกาฟีอาลิกะวะมาลิกะขอให้ชีวิตของคุณมีบุญากตาิให้ภรรยาคุณมีบุญกาติให้เงินคุณมีบาาุญกตขอดุอาให้ก่อนแล้วก็วางแผนต่อไปว่าฉันจะเอาอะไรไปตอบแทนบุญคุณเขาที่เขาให้ของเรามา นี่บีสออิสลามสอนอัลฮัมดุลิละดีจริงๆเลยเอาวันนี้มาอายาที่สี่สิบอดนะครับพี่น้อง ظ ل ั่งล่ ر หุมย ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيد الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ل ั่ง ي َ ر หุมย อัลฮัมดุลิลละอัลลอฮฺอัลเลาะห์อัลกุรอานผิดตรงการมาจากอัลลอฮ์นะมาจากชันฟ้าชันที่เนะยิบรีนเป็นคนพามามาชาชะตอนชะตอนพามานะมามอบให้กับวิญญาณที่นั่นะที่หัวใจของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลตานอิบราฮิมอาย่านี้เนี่ยตรงการจะบอกว่าโลกดุนยาที่มันวุ่นวายวันนี้นะเพราะฝีมือใครเพราะฝีมือมนุษย์ โลกที่วุ่นวาย ว, ายวายนันอ้าวอากาศเนี่ยอะไรนะพเจอกนะัอะไรนะอะไรนะลมลมนะฝุ่นฝุ่นฝุ่นพิษเนี่ยฝีมือใครมนุษย์ทําเองทั้งหมดเนี่ยนี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังนี่คนอัลลอฮ์ละกับดบีมุฮามัดฟังนะความจริงอ่ะคำว่าฟาซาศดในแปลว่าความวุ่นวายเนี่ยมันมีความหมายอธิบายอย่างไรบ้างเดี๋ยวค่อยๆดูไป ถ้าอธิบายตอนนี้เนี่ยนะฝุ่นละอองที่เป็นพิษตรง น, นี้นะฝีมือใครนี่แหละอย่าไปโทษอัลร่อยอย่าไปโทษคุณนั่นโทษคนนี้มนุษย์นี่แหละคนที่ละโมบดูนยาอยากได้นูนได้นี่อ่ะครับโรฮารอลฟาซาโรฮาร์แปลว่าอะไรนะเอ่อฟาซากรฟาซาแปล ว, ว่าความ ความเสียหาย อ, าอัลฟาซาตแปลว่าความเสียหายโซฮารอร์แปลว่าระบาดหรือว่าประจักษ์ขึ้นความเสียหายได้ประจักษ์ขึ้นความเสียหายได้ระบาดพี่นาะความเสียหายได้เกิดขึ้นโซฮารอร์แปลว่าเสียหายระบาดเกิดขึ้นได้หมดที่เราเห็นด้วยตาของเราเนี่ยบางทีก็ไม่เห็นด้วยตาต้องส่งกล้องถึงจะเห็นนี่ใช่ไหม รฮาร์แ oh ปลว่าอะไรนะได้ประจักษ์ขึ้นได้เกิดขึ้นได้ระบาดขึ้นอะไรครับอัลฟาซาแปลว่าความเสียหายที่ไหนบ้างฟิลบาเรบารูนแปลว่าอะไรนะบนพื้นดินบนพื้นบกวัลบาเรในท้องทะเลในหน้านา้้ำตกลงอ่ะ ที่อัลลอฮ์สร้างมาชั้นฟ้าแผ่นดินเนี่ยนะอัลลอ์สร้างก็มาสมบูรณ์หมดเลยนะมีมลายกาอยู่ข้างบนที่ดินมีมนุษย์อยู่แล้วมีสัตว์ทุกชนิดอยู่ความเสียหายไม่มีเลยนะแต่ความเสียหายนี่มามาที่หลังใครละ่ะก็นมนุษย์นี่แหละอุลมามะอธิบายความเสียหายมีอยู่สี่ประการในตับซีดนะอธิบายว่ามีอยู่สประการคำว่าอุลมามะตัซีดอธิบายว่าคำว่า ฟาซาดหมายถึงหนึ่งอัชริกอัชเิอร์ตการตั้งภาคีกับอัลลอ์นี่ทำให้โลกเนี่ยวิบัติทำให้แผ่นดินเสียหายทำให้ชั้นฟ้านี่เสียหายการอะไรนะการไปตั้งภาคีกับอัลลอ์ไปก้มลงกราบจเจว็ตอื่นจากอัลลอ์หรือนับถืออัลลอ์ด้วยและนับถือสิ่งอื่นคู่กับอัลลอ์ ถ้าอธิบายง่ายๆกับมุสลิมเรานี่แหละพี่น้องเลยที่นับถืออัลลอ์ด้วยนะแต่ไม่ไว้ใจอัลลอพันเบอร์เซนไปไว้ใจโต๊ะตะเกียต่ออีกนี่คือชิริกสร้างความฟาซาสร้างความเสียหายเรามองไม่รู้หรอกถ้าเราไม่อ่านกองอ่านนี่ไม่รู้เลยว่าไอ้ชิริกเนี่ยตัวทำลายดุนยาทำลายแผ่นดินนี้ทำลายชั้นฟ้า คุลไอ้กุศลอธิบายยังไงอธิบายว่าท่านมีทรัพย์สินมหาศาลยกตัวอย่างแล้วก็มีคนมีทา่ามีมีคนงานที่ทำงานให้ให้กับท่านเนี่ยมีส่วนในกองเงินของคุณนะคุณพอใจไหมล่ะเรายังไม่พอใจเลยที่จะให้คนงานหรือท่าที่เราเลี้ยงเขามาเนี่ยซื้อเขามาเนี่ยมีหุ้นส่วนในกองมระดูกเราตั้งพันล้านนะ่ะ เราให้ไหมเราไม่ให้อะเราให้เฉพาะลูกเราอย่างเดียวแลว้วก็ตัวเราคุณเดียวหรือเมียเราแค่นั้นแหละคนอื่นไม่มีสิทธิ์นี่ต้องการจะบอกว่าไอ้การล้มก้มลงกราบการก้มลงกราบหรือตัววาฟเนี่ยหรือการขอเนี่ยอโล อ, องเดียวคนอื่นอย่าไปยุ่งแล้ววันนี้เราไปก้มลงกราบสิ่งอื่นคู่กับอโลเอง อ, อ, อ่ะไปเดินตัววา่าใบตัวล้ อ, อย่างเดียวไม่พอไปตัววา่าโตตะเคียร์อีก โอ้ดูมันทําดมันทำเดมาเนี่ยเอาละอธิบายให้พอใจง่ายๆในการฝึกกูอาทิตผ่านมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนู้นนะอย่างนี้เป็นตน้นเอาต่อมาครับฟาซาดเรื่องที่สองมนุษย์อิสติกาบุลมาาสีมนุษย์ที่ทําบาปอืแล้วคนที่ทําบาปก็คือคนที่ศาสนาใหญ่ศาสนามาจะเรียนนะบางทีก็เรียนเหมือนกันแต่เรียนยังไม่ค่อยลึกซึ้งและสังคมเนี่ยมันเรียกร้องมันเชิญชวน คนทำบาปทุกชนิดสร้างความเสียหายให้กับโลกใบนี้ข้อที่หนึ่งชิริกข้อที่สองทบาปทําบาปมีอะไรบ้างทำารีนานีใช่ไหมเล่นการฟนานใช่ไหมฆ่าคนใช่ไหมด่าคนใช่ไหมทะเลาะ ก, กันใช่ไหมทั้งหมดนี้เป็นบาปหมดเลยมและบาปจากคัมภีร์คุอ่านอธิบายไว้ประมาณร้อยรแปดสิบกว่า ธนิยต่พ่อแม่ใช่ตบเตภรรยาใช่ภรยาดาสามีใช่มีสการ์ไม่า ย, ายใช่ไม่ใายซดาก็ไม่ใจไฮดีย้ายาไม่ใจวะกรับเป็นบาปใหญ่หมดเลยอะพี่น้องคงว่าท่านบาปใครที่ทำบาปใหญ่บนโลกใบนี้สร้างความเสียหายให้แก่แผ่นดินของอัลลอ์แล้วก็บนชานฟาเสียหายด้วย ขอยกตัวอย่างคนดีนะมีวันหนึ่งนบีนั่งอยู่ในมัสยิดนี่แหละนั่งกับบรรดาสาวบ้านกันนั่งกันหลายคนนะ่ะนบีก็บอกกันเดี๋ยวค่อยดูจะมีชาวสวรรค์เดินเข้ามาทุกคนในหูพึงกันหมดเลยโอ้ยอยู่สักพักเดินจะมีคนเนี่ยเดินเข้ามามือซ้ายถือรองเท้าแล้วก็ที่ใบหน้าเนี่ยมีอะไรนะมีน้าละหมาดเนี่ย เขาอาวมากใหม่ๆเนี่ยหน้ามันหยดที่เขาวผ่านขราวมาผู้คนก็มองโอ้หนี่ชาวสวรรค์นี่เจ้นบีชมอ่ะร่วงอีวันหนึ่งนบีก็ชมอีกเดี๋ยวจะดูชาวสวรรค์เดินผ่านเรามาก็าคนมาวานนี่แหละมาอย่างนี้ถึงสามวันเสร็จแล้วนบีมีสาวบ้านนาบีคนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ว่าชื่ออะไรเดินไปประกบเลยฉันขอไปนอนที่บ้านคุณสักสองสามคืนได้ไหม ฉันไม่จะทะเลาะ ก, กับภรรยาฉันนะขอนอนที่บ้านคุ ณ, คณบอกเชิญเลยก็ไปนอนอ่ะไปนอนอยู่สามคืนพอนอนเสร็จแล้วก็ตอนกลางคืนไม่เห็นลุกขึ้นอมาตา ย, ยุสเนะ่เวลาพลิกตัวว่าสุบานอลละฮ์ฮัมดุลิลลาแค่นี้เองในใจดูแคลนไม่เห็นมีน้ำยาอะไรเลยแล้วนบีชมเป็นชาวสวรรค์ อไม่เห็นลุกขึ้นนมาตาข่ายุด อ, อ่าน ก, กูอ่านก็เห็นเขาอ่านกุูอ่านแล้วละอ่านแต่ว่าลุกขึ้นนมาไม่ได้ลุกขึ้นอ่ะพอครบสามคืนก็บอฉันขอลากุณแ ล, ละนะ้วจะกลับไปบ้านละพอนบีชมคุณว่าคุณเป็นชาวสวรรค์ถามมานอนว่าคนชาวสวรรค์กลางคืนก็ทําอะไรไม่เห็นลุกขึ้นนมาตาข่ายุดนะกขาบอกโอ้ถ้านาบีชมผมผมมีของดีจะเล่าให้คุณฟัง ในใจของฉันในน้ำนะไม่เคยดูแคลนมุสลิมคนใดสักคนหนึ่งรอดีไหมเนี่ยฉันไม่เลยดูถูกดูแคลนใครสักคนหนึ่งผู้ที่นับถืออิสลามคนที่เป็นมุมิินด้วยกันที่นอมานอยู่ด้วยกันนี่นะฉันไม่เคยดูถูกดูแคลนใครเลยฉันมองเขาเนี่ยเด่นดีหมดเลยก็ว่าน่าจะใช่ตรงนี้แหละ ที่น บ, บีชมว่าเป็นชาวสวรรค์เพราะหัวใจของเขาไม่เคยดูถูกเหยียดหยามตำหนิใครเลยเป็นน้องเห็นยังนี่อิสลามสอนดีัหมไม่ให้ดูถูกใครไม่ว่าใครไม่ให้ตำหนิใครเป็น้องเราพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าแล้วกันเอาต่อมาครับอันที่สามกอตุลมาตอดท่านยะยาบินสาลามบอกว่าการแห้งแรงเนี่ยนี่พอนมือมนุษย์นะ ฝนไม่ตกแห้งแรงนี่ก็สร้างความเสียหายให้กับแผ่นดินด้วยเอาจาอยต้นไม้ตายตายหมดเล ย, เยดีหรือไม่ดีมันก็ไม่ดีใช่ไหมล่ะนี่เป็นความเสียหายชนิดหนึ่งซึ่งมนุษย์ทําเอาไว้จะให้แผ่นดินแผ่นดินเนี่ยอะไรนะต้นไม้ไม่งอกนี่ก็ความเสียหายอีกเรื่องหนึ่งข้อที่สีข้อที่สี ท, สท่านลูกอาดัมจําได้ไหมมันมีใครบ้างอะ ฮามาไม่ใช่ฮามาสลลูกอาดัมอนะกอบิลกับฮาบิลอ่าที่ทะเลาะกันแลว้วก็ฆ่ากันครั้งแรกนะนั่นคือความเสียหายบนแผ่นดินนี่อลมาตัฟซีเขอาอธิบายอย่างนี้ตัวลองว่ามีอยู่สเรื่องนะหนึ่งชิริกสองมนุษย์ทาบาปสาแผ่นดินแห้งแห้งแล้ง 4. ลูกอาดัมสองคนแย่งผู้หญิงกันแล้วก็ฆ่ากันแล้วก็ไม่รู้จะขจัด น้องชายไปพี่ชายยังไงได้เนี่ยอกาอัลลอฮ์ส่งอีกามานะมาขุดหลุมเป็นกูโบนั่นเป็นคดีแรกหลุมแรกที่เกิดขึ้นในโลกดุนยาใบนี้ครับเอาต่อมาครับคำว่าฟาซาดฟิลบารีเนี่ยบางท่านอธิบายดีนะเขาบอกว่าอัลบาโรเนี่ยแปลว่า ล, ลินแปลว่า ล, ลินอัลบแปลว่า บ, บนโบกที่นี่หมายถึงลิน มันใครที่พูดจาไม่ดีไม่ดีเนี่ยนะนั่นสร้างความเสียหายให้กับโลกดุนยาใบนี้แล้วก็วัลวัลบารีบารีก็อธิบายว่าเป็นหัวใจหัวใจะนะบนบกหมายถึงเลนทะเลหมายถึงหัวใจเนี่ยอุลมามะอธิบายนะ ท่า น, นเราอาศัยอุลามะบุคคลเหล่านี้มาอธิบายอัลกุรอานอย่าอาธิบายกุรอานด้วยความด้วยสมองของตัวเองนี่อัลลอฮ์ห้ามนะดับบี้ห้ามนะต้องอาศัยอุลามะอุลามะอุลา ม, มะชาวสลัฟด้วยนะในสมัยน บ, บี้เขาอาธิบายยังไงก็เอาความรู้ตรงนั้นมาอาธิบายต่ออัลฮัมดุลิลละตัวร้งว่าความวุ่นวายที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ฟีมอือใครครับ บีมากาซาบไอดินก a b a t แปล ว, ว่าขวนขวายหรือแสวงหาไอดีมือทั้งสองอไอดีมือเป็นยาดุลไอดีเป็นพหูพธน์มือมือทั้งหลายมือของใครครับอันหนา้ามือของคนนี่มาได้บอกว่ามุสลิมกาเฟ่นนะมือของคนทั้งหมดทั้งโลกนี่แหละ สร้างความเสียหายให้แก่แผ่นดินของอัลลอและชั้นฟ้าของอัลลอสุบฮานาหูบานาละทีนี้เมื่อแผ่นดินมีความเดือดร้อนฝนไม่ตกก็ดีคนทำชีริกก็ดีคนทำบาปก็ดีเนี่ยเมื่อสร้างความเสียหายแล้วปัญหามันเกิดขึ้นใช่ไหมลียูดีกอฮุม เมื่อได้รับความเดือดร้อนเพื่อเป็นการลิ้มให้พวกเขาเหล่านั้นได้ลิ้มรสให้มนุษย์ที่อยู่บนโลกโดุนยาไปนี้เนี่ยลิ้มรสลิ้มอะไรครับก็ลิ้มไอ้ของที่มันไม่ดีไงสิใช่ไหมล่ะได้สัมผัสได้พบกับตั ว, ตวของเขาคาว่าลิ้มรสอธิบายดีนะต้องถูกเล็กๆ น, น้อยๆนี่ก็ บ, บางคนก็ บ, บนแล้วนะบางคนหนีนะ เนี่ยอะไรเนี่ยที่มีฝุ่นอาการไม่ดีตอนนี้นะบางคนฮิจาร้อนน่ะไปอยู่สิห้าวันยี่สิบวันก็มีนะไปอยู่ต่างๆจังหวัดนะพาลูกพาหลานพาพอ่อพาแม่ไปเลยมักลัวจังเลยใช่ไหมลนะ่ะ mm hmm. แต่นบีพูดแล้วคนที่มี إ ي م านต่ออัลลอฮฺถ้าเจอควันแบบนี้แค่เป็นหวัดแต่อ่านฮะดิษจะเจออ๋อสบายใจแค่เป็นวัดไม่ถึงกับตายแต่คนที่ไม่เอาอัลลอฮฺไม่เอาโซลเองระวังตัวตายแน่นะ่ะ ลิยาลิยูซีกอฮุมเพื่อพวกเขาจะได้ลิมบาอลลาีามิลูบาอัลลอแปลว่าบางส่วนอัลลาดีามิลูที่พวกเขาได้ประกอบไวให้พวกเขาได้ลิมรถความลำบากความเดือดร้อนที่ผู้คุณสร้างเอาไว้ให้เกิดขึ้นทำไมให้คุณชิมทำไมตอนวักสุดท้าย ละอัลละหุมยารยิเอาเพื่อพวกเขารอยะแปลว่ารู้ยะแปลว่ากลับเนื้อกลับตัวมาเป็นคนดีมาทำความดีต่อไปเห็ไหมพี่น้องเห็นยังว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นฝนไม่ตกก็ดีลำบากก็ดีใช่ไหมอะไรที่มันเกิดขึ้นบนหน้าดนงยาไปนี่พอพอทำชิริกเยอะๆกับทำซีนาเนี่ยแผ่นดินมันจะไหว มีคนถามท่านหญิงไอาชนานบีตายไปแล้วเสียชีวิตแล้วบอกที่ไงชานบีเคยสอนอะไรบ้างไม้ก่อนตายอ่ะแผ่นดินไหวเพราะอะไรนางก็บอกว่าอ๋อนบีเคยพูดในบ้านนึกจำได้คนที่กินเหล้าคนที่ทําวิญญาคนที่ทําชีริกนี่นะทํากันเยอะๆนะแผ่นดินจะไหวเห็นไหมนี่ยิงไอาชาล่าเองฉันได้ยินจะท่านนบีสอนฉนนะนอ่ะ ฉะนั้นแผ่นดินไหววันนี้เนื่องจากมนุษย์ที่อยู่บนโลกใบ น, นี้ทําดินานะครับอยู่กับผู้หญิงโดยไม่ได้แต่งงานผู้หญิงก็มีสามีโดยไม่ได้แต่งงานอยู่กันแบบนี้ทําให้แผ่นดินแผ่นดินไหวเห็นไหมจะนี้แผ่นดินไหวเนี่ยลาลาหูยารเยือนเพื่อพวกเขาจะได้กลับเนื้อกลับตัวมาเรียนาศาสนา เปียนแปลงตัวเองมาเป็นคนดีจะเป็นคนดีโดยเที่ยงอิสลามไม่มีทางครับเรียนอิสลามนี่แหละจะทำให้การเป็นคนดีโดยอัตโนมัติอขอยกตัวอยา่างประเทศสองที่อาหรับ เ, เนี่ยที่มูฮัมหมัดบินอันดุลวาฮาบมามาอนะมาปฏิวัตินะนะเลิกชีริกทั้งหมดเนะี่ยข้อกูโบก่อนเนี่ยกูโบมันเยอะมากเลยนะแต่คนที่กลาวกูโบกันหน้าดูอะไรคู่การรอนี่แหละท่านก็เลยวางแผน กับกษัตริย์อิกเ น, นสอุตทำลายหมดเลยกูโบะแล้ววันนี้เป็นไงครับโอโลโอบอกว่ามีแต่มีแต่ของดีเรื่องชีริกไม่มีแล้วพวกเราเองก็ยังไปดไป่ามาัดอาบฮาบวาฮาบวาฮาบีวาาบีเขาทำความดีให้กับประเทศซาอุดีอาระเบียไม่ให้มีปัญหาเดือดร้อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่พวกอ่านอ่านว่าฮาพูดว่างไงรูแบบ้ป่าถ้าจะให้สุขภาพแข็งแรงเน้ทําอย่างนี้ ผลไม้ออกทุกครั้งเนี่ยนะให้ทานเพราะผละไม้เนี่ยทุกชนิดที่ออกมาตามฤดูกาลนี่นะเป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดจะกินตอนต้นฤดูกาลแพงหน่อยใช่ไหมลนะ่ะไอ้อากินตอนกลางกลางฤดูอาจจะถูกหน่อยตอนปลายฤดูกาลแพงอกีกฉะนั้นพยายามให้เด็กกินด้วยให้พญาทานด้วยให้ตัวเองทานด้วยผ ล, ไ ม, ยลไม้ที่ออกตามฤดูกาล ปกป้องภัยพิบัติโรคภัยไข้เจ็บเยื่อเยี่มหมดเลยเห็น่างครับเนี่ยจากกุรานจากคดีซึ่งโอลามาเนี่เขาพยายามรวบรวมมาให้คนที่อ่านกุรอ่านได้เข้าใจว่าการดูแลสุขภาพเป็นศาสนาไม่ทําชีริกอลอนรอทำสุขภาพแข็งแรงลุกขึ้นอมัดทหารยุทธสุขภาพแข็งแรงรุกขว่าสุญญุตสุขภาพแข็งแรงไม่ทะเลาะกับภรรยาทําให้สุขภาพแข็งแรงอัลฮัมเดลิล ظ ه บ الفساد في البر والبحر بما ك บั ت ไอดินน ا สความเสียหายได้ระบาดตามแผ่นดินและก็ในหน้าน้ำ้ำเนื่องด้วยน้ำมือของมนุษย์ได้ขนขวายเอาไว้โดยอัลลอฮได้ให้พวกเขาลิ้ม บางส่วนที่พวกเขาได้ประกอบเอาไว้และละหุมยัะเย้ยเพื่อพวกเขาจะได้กลับเนื้อกลับตัวมาทำความดีอัลฮัมดุลิลละพี่น้องทุกท่ายนี่ผมเอาความแปลเนี่ยจากหลายๆเล่มนะจากภาษาซาอุดูภาษาอังกฤษภาษ า, าไทยด้วยเอามารวมๆกันเป็นเพื่ออธิบายง่ายๆนะครับพี่น้องอาทีนี้ต่อมาครับพี่น้อง คำ ว, ว่ากลับเนื้อกลับตัวนะ่ะอธิบายยังไงพี่น้องกลับเนื้อกลับตัวเวรียกคำว่าอย่าดิ้อเอมีนลมาอาซิข้อที่สองยัดยาดิ้อเอางในลัลฮักสิสองยัดยาดิ้อให้กลับเนื้อกลับตัวจากการทรยศต่อร้ อ, องให้กลับเนื้อกลับตัวไปหาอิสลามไปหาความจริงไปหาอัลกุรอานไปหาสุนัขนบีไม่ใช่กลับตัวแล้วก็ทิ้งสุนัขนั่นไม่ใช่นะ ต้องหันมาเรียนสุนนะมาเรียนอัลกุรอานแทนถึงเราจะกลายเป็นคนเป็นคนที่ดีได้ต่อมาครับอายาที่สี่สิบสอง ق و ل ล ي ร في ฟ ل أ ر ض ف ن ฟังดูว่าจะเป็นอย่างไรที่จะเป็นอย่างไรที ر จะเป็นอย ل างไรที่จะเป็อย่างไรทีนอยนอย่างไรที่จะเป็นอ ظ ่าง كيف كان ع ا ق ب ت บ الذين مِنْ قَبْلُ؟ ك َ ن َ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ. อขอบพระคุณเ้าพ่อพระแม่ทุก่นที่มาส่งาที่สี่ตอนนีจะไท่อเมร่กาวนาครับตอนนีปที่อเมิาแ้นะครบตอนนีปลว่าเดิานทางบาอคนแปลว่าที่อเที่ยว ซีรูเนี่ยนะนี่แสดงว่อัลลอฮ์นี่สั่งใครนะสั่งนบีมุฮัมมัดแล้วก็สามคนที่อ่านอัลกุรอานเนี่ยอย่าอยู่ที่เดียวให้อะไรนะให้เดินทางอัลลอฮ์อย่าอยู่เฉพาะของเคสนี่เราไม่ไปไหนเลยนี่เพิ่งกลับมาจากหาดใหญ่เมื่อคืนนี่กลับมาตอนมาถึงบ้า น, นสองทุ่มเมื่อคืนด้วย แล้วก็ไปบรรยายที่หมู่บ้านท่านนะบ้านอะไรนะมีปิตภาพพอทมดูลินเดแล้วก็แ้วกคิดเยอะพอเดินทางเนี่ยเห็นอะไรเยอะนี่อัลลอฮ์ก็ะสังนะสังกับนบีให้เดินทางอ้าวดูศั์นะกุลมุฮัมมัดเอ๋ยจงประกาศมุฮัมมัดเอ๋ยจงตำลีกจงด่วะจงบอกจงเตือนซีรจงอะไรนะจงเดินทาง บางคนนี่เดินเดินทางเพื่อหาฮะดีสบทเดียวในสมัยนู้นนะสมัยซอบ้านะบีนะเดินทางเพื่อหาความรู้หาหะดีสบทเดียวเดินทางเจดประเทศเจประเทศไปนู่นออกเมืองนี้ประเทนี้เพื่อจะไปหาหะดีสบทหนึ่งของท่านนะบีน่ะว่านาบีหาพูดว่ายังไงก็บอกมีอยู่ที่ประเทศอียิปต์โอ้โหเดินไปหาจนกว่าจะไปเจอเขาี่น้อง ใจประสบการณ์เห็นอะไรเต็มหมดเลยแล้วนี่นักเรียนศาสนา ป, ประถามที่มาอยู่ทิ้งบ้านทิ้งชองมาเกลายอยางน้อยหปีใช่ไหมล่ะกว่าจะจบนะ่ะหปีเนี่ยมาหาความรู้ไปอยู่ต่างประเทศอีกไปเรียนอีกอัลลอฮฺอักบัฮซีรู u, ทางจังราจงเดินทางฟิลอรดีพูดชัดนะมันต้องไปข้างบน <c oughs> พื้นแผ่นดินนี่แหละเห็นยัง จงเดินทางจงท่องเที่ยวตามแผ่นดินอันนี้อารดีมีอลิฟดามอยนะอันอารดีแผ่นดินนี้อย่าเป็นนึกซิอย่าไปเอวัการเลยลงทุนเยอะไปก็ไม่เจอใครกอ <c oughs> ก็ปล่อยให้อเมริกากับรัสเซียกับจีนไปไปกับสามสี่ประเทศนี้ก่อนกุลซีรูฟิลอารดจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดจงเดินทางหรือจงท่องเที่ยวตามแผ่นดิน แล้วเดินทางเอารถสั่งนี้นะไปยังไงฟังดูจงดูจงดูจงพิจารณาให้เดินทางแล้วจงพิจารณาครั้งที่แล้วเราก็ผ่านมาแล้วนะอายาที่ยี่สิบของสุราอะไรที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะให้ดูทางให้ให้ดูให้ดูอะไรอลามาก็อธิบายต่อนะให้ดูหกรายการ เวลาเดินทางเนี่ยให้ดูหกรายการรายการที่หนึ่งประชากรในตรงนั้นน่ะมากหรือน้อยอัลฮัมดุลิลละนี่อุลมาก็ชี้นำไปเลยไม่ต้องมานั่งคิดเองเดินตามตับซีอุลมากอธิบายไว้เรื่องที่สองอิคลิลาฟูอัลซินาทีมไปดูที่ภาษาเนี่ยเขาพูดภาษาเหมือนเราไหมล่ะเราไปจากประเทศไทยโอไปมาเลเซียโอมพูดภาษาม า, ายูกัน ไปอีสานก็พูดภาษาไทยเหมือนกันแต่ออกอีกสำเนีอีกหนึ่งให้รับพิจรารณาอัลลอฮฺอักบัร์เรื่องที่สามอัลวานฺนุมให้ดูสีผิวของคนที่เราไปอยู่ประเทศนั้นเมืองนั้นเห็นยังครับไม่ใช่ไปแบบซื่ อ, อไม่รู้เรื่อง ร, ราวอะไไปก็ต้องฉลาด้วยอ๋อสีผิวคนชาตินี้ประเทศนี้เมืองนี้เขาผิวอะไรอัลลออักบัร ต่อมาเรื่องที่สนิสัยใจคอของคนตรงนั้นเป็นอย่างไรแล้วพูดได้เต็มๆมปากว่าคนทั่วโลกที่มาประเทศไทยนี่ชอบประเทศไทยหมดประมาณ 70-80-90% กอร์น่ะจากที่ถูกป้นกลางทานฉันไม่มาแล้วนิสัยักนิสัยแต่ละคนแ ต, ต่แต่ละประเทศให้ดูพิจารณาดู ส่วรับคนไทยนี่สายดีที่สุดเลยนะยิ้มกับคนเก่งทักคนเก่งต้อนรับคนเก่งโอโลอลว่าและผู้จาร น, น้อมเพราะไม่ได้ภาษาจีนนี่แหละทำให้คนไทยดีถ้าได้ภาษาอกฤนอีกภากษาหนี้นะก็พอกับฟิลิปปินส์แหละเอาต่อมาครับข้อที่ห้ามาซากินุมสถานที่พักอาศัยของภูเขานะเขาสร้างเหมือนเราไม่หละแต่ดีเป็นตนใช่ไหมต่อมาเรื่องที่หก ไกลฝาอาละกาฮูมุลเราเอาลอดทำลายคนตรงนั่นบ้างหรือเปล่าคนตรงนี้เป็นคนชั่วเยอะไหมพูดง่ายๆแล้วอลอดทำลายคนเหล่านี้ไหมยอย่างไปเมืองตออิฟเนี่ยไปซาอุดีเนี่ยเราจะได้ยินเลยครับในเขาเขียนเอาไว้คนตออิฟตอนนี้เนี่ยสำนึกตัวเยอะอุลมาเนร้องให้ร้องโหยเพราะนึกถึงปู่ย่าตายายที่เอาหิน ขว้างนาบีเห็นยังเขานึกตลอดเวลาอาลัลลอฮฺจะอภัยโทษให้กับโตยอโตกีบานพระบุรุษของเราด้วยเถอดที่เขาที่พี่น้องของเราเหล่านั้นเนี่ยเอาหินขว้างใส่นบียนกระทั่งนบีเลือดไหลเขาผลิตอุลมะเต็มเลยตอนนี้เราก็ส่งไปอยู่ทั่วโลกไปนึกถึงความชั่วของพระบุรุษของเราเนี่ยเคยแกล้งนบีเคยแกล้ง น, บ, งนบีเอาหิน ข้างนาบีพี่น้องเนี่ยหมู่บ้านเราก็เยอะแยะไปนะมต้องนึกนะหมู่บ้านนี้เคยต่อต้านสุนนะใช่ไหมไอ้วันนี้เราทำได้แล้วเรียนสุนนะกันรวมมีทำได้แลมีอุลลอฮหลายค น, นก็ต้องนึก อ, อ๋อรอออจ๋าพะยะทุกขอทุกอาให้ปู่ย่าตายายเราด้วยที่สุนนะเนี่ยเผยไม่ได้เลยตรงนี้นะ่ะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ต้องนึกครับฉะนั้น เวลาเดินทางเนี่ยให้ดูกี่เรื่องนะหกเรื่องหนึ่งอะไรครับประชากรมากน้อยแค่ไหนเรื่องที่สองภาษาของพวกเขาพูดภาษาอะไรอันที่สามสีผิวเป็นยังไงอันอันอั น, อ, นอันที่สามที่สี่นิสัยใจคอเป็นยังไงอันที่ห้าอะไรนะสถานที่อาศัยของเขาเป็นยังไงบ้านช่องเขาอยู่เป็นยังไงไม่ใช่มาด่ากัานะ ไปสังเกตอย่างเดียวพอแล้วอย่ามาตำหนิล่ะถ้าเขียนก็เขียนเป็นประวัติเอาไว้ไม่มีปัญหาทำได้เลยนะครับและเรื่องที่ห้าเรื่องที่หกก็คือว่าอเลอร์เคยทำลายหมู่บ้านนี้ไหมยอย่างนี้เป็นต้นเลยครับอาทีนี้ต่อมาครับฟังรูไกฟากานาคิบตุลเลีนมิงกบล จงดูจงพิจารณาไก่เฝ้าแปลว่าเป็นยังไงกานะเคยอากีบะแปลว่าผลสุดท้ายอัลลาฮินมิงกอบลิคนที่มาก่อนหนะ้าพอไปอยู่ที่ไหนก็ตามแต่จังหวัดไหนบ้านใดเมืองใดต้องเลือกว่าประวัติตรงนีนะ้คนในอดีตนะเคยทำอะไรไว้ให้พิจารณาเอาข้อที่หกมาพิจารณาเนี่อ่า อดีตเป็นยังไงหมู่บ้านนี้เป็นยังไงนี่ทำให้เราได้นอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์นะครับเอาต่อมาครับอัลลอ์เล่าเองนะคนส่วนใหญ่ถ้าเดินทางไปไหนก็ตามจะพบว่ากาณาอักลรูฮูมูสริกินอักซาแปล ว, ว่าส่วนมากของประชาชนที่เราไปเยี่ยมในละที่เราไปไ ป, ไปไปมานี่นะเป็นยังไงครับ ส่วนใหญ่ประชาชนเป็นไงมุสริกเป็นคนที่ทำชิริกต่ออัลลอฮฺสุภาห์หุบะละลาไปเคารพสิ่งอื่นไปกราบจเจวัดคู่กับอัลลอหรือไม่เอาอัลลอเลยเอาจเจวัอย่างเดียวบางทีก็เอาอัลลอด้วยเอาจเจวัดด้วยมีไหมมีครับนี่อัลลอสรุปให้ฟังว่าส่วนใหญ่น่าเป็นคนที่ทำบาปหมดเลยแล้วก็ชีวิตของคน มุชลิคเนี่ยอยู่ในนรกตลอดกาลนะคุณอ่านอธิบายชัดนะครับว่าคนที่อยู่ในนรกตลอดกาลมีอยู่ห้ากลุ่มหนึ่งกาเฟสสองมุชริกเราใช่ไหมอะ่ะเราต้องนึกเออเรานี่ยังมีเชร้อเอยู่ยังไงยังค่อยตะกูอยู่หรือเปล่าต้องนึกนะไปหาหมอดูเปล่าเราเนี่ยตัวเราเองเนี่ยต้องนึกลูกจะแต่งงานเนี่ยต้องหาหมอดูนะน่าจะยังเรามีเชื้อเอยู่นะ ชีริต้องทิ้งให้หมดอย่าให้มีติดม้ติดมือติดงติดผ้าขาวเลยนะข้อที่หนึ่งคนที่ตกนรกตลอดกาลหนึ่งกาเฟตคนที่ไม่ไม่รู้จักอลัลลอฮ์เลยสองคนชีริกคนที่เอาอลัลลอฮ์ด้วยอะไรยึดสิ่งอื่นคู่กับอัลลอฮ์อันที่สมุตตัดคนที่ตกศาสนาข้อที่สีมูนาฟิกมูนาฟิกนี่น่ากลัวที่สุดนะน่าไหว้หลังหลอกนะเข้าได้ทุกกลุ่มเลยอันตรายนะ อยู่กับนบีด้วยอยู่กับคนกาเฟ่เตะต่อต้านอิสลามด้วยอยู่กับมุชลิคด้วยเนี่ยอันตรายมากครับแล้วข้อสุดท้ายน่ะอ่านอุลกิตาบชาวคัมภีรที่รู้จักนบีมุฮัมมัดแล้วแต่ปฏิเสธไม่ยอมรับนบีมุฮัมมัดสุลลาร์อะไรอิสลามการมีมานบีคนสุดท้ายนี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับแล้วเลาจะสอบคนตายทุกคนนะสอบรู้จักนบีมุฮัมมัดเปล่า มันจะถามว่ารู้จักซุนนะนบีเปล่าอย่างอื่นนะก็ถามว่าอัลลอฮ์ใครอิหมามของคุณใครแล้วก็มุฮัมมัดคือใครถามสามเรื่องถ้าตอบไม่ได้เลยก็ถามตอบอีกทำไมไม่เรียนละ่ะทําไมไม่หาความรู้เพิ่มเติมละ่ะทําไมไม่อ่านละ่ะคุณอ่านตําราได้ทุกเรื่มที่มาจากฝรัง่งอ่านได้หมดเลยนะ่ะแต่ของอัลลอฮ์นี่ไม่อ่านเลยนะไม่ศึกษาหาความรู้ฉะนั้น เราจะถามให้มารายการมาถามที่กูโบนะครับพี่น้องเอาพี่น้องสรุปค่ะค่ะก็คือาศาสนาอิสลามนี่นะประคองโลกนะาศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นาศาสนาที่ประคองโลกใบนี้ให้มีชีวิตชีวาอยู่ไปมีอยู่สี่ประการที่ประคองโลกใบนี้นะหนึ่งอะไรนะ กิตาบุลล้อคำพีกุรอานประคองโลกใบนี้สองรอซู ล, ลุลลอห์นบีของอัลลอฮ์ประคองโลกใบนี้อันที่สามไบตุลลอห์บ้านอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนกาบะประคองโลกใบนี้ซอลาตุลลอห์นมาที่เรานมากันห้าวันละห้าเวลาประคองโลกใบนี้เป็นหลักการของกายเป็นอิสลามหมดเลยอะไรบ้างข้อที่หนึ่งรอซู ล, ลุลลอห์ ข้อที่สองกิตาบุลละข้อที่สามใบตุลละข้อที่สี่สุลตุลละมาจากอัลลอฮ์หมดเลยพี่น้องประคองโลกใบนี้ให้มีชีวิตชีวาอยู่ต่อไปเพื่อให้คนกาเฟ่ได้กินเล่ากระทากินาต่อไปเรานะประคองกันไว้เพื่อให้เขาได้หาความสุขดนยาชั่วคราวนี่ดารุ้ชมเนี่ย <c oughs> <c oughs> พี่น้องต้องขอบคุณอัลลอฮ์นนะ ที่เอาละให้อิสลามมาและคนมุสลิมนะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้ น, นอยู่ตลอดเวลานะครับเอาต่อมาครับอายาที่เท่าไหร่นะ43อัลฮัมดุลิลลาสองอายาแรกหร่อที่ผ่านมาเนี่ยตบก็จะอธิบายว่าโลกใบนี้นะเสียหายเพราะฝีมือเพราะน้ำมือของใครของมนุษย์ ถ้าจะไม่ให้โลกใบนี้เนี่ยเสียหายนะอยู่ที่มนุษย์เหมือนกันให้เปลี่ยนแปลงตัวเองซะให้หันมาเรียนศาสนาซะให้ไม่ยึดอลัลลอ์ซะไม่ยึดสุนานะนบีซะแล้วก็อะกีดาความเชื่อต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะเชื่อว่าตายแล้วฟื้นตายกี่ครั้งตายสองครั้งแล้วก็เกิดสองครั้งอายานี้ให้ยึดศาสนา ไม่ต้องไปยึดอย่างอื่นยึดคำสอนที่มาจากอัลลอฮ์ผ่านนบีมุฮัมมัดนี่แหละจะทำให้โลกใบนี้มีความสันติมีความสุขฟิตร น, นาความวุ่นวายก็จะไม่ค่อยมาเท่าไหร่อายาที่4ี่สิฟะอากิมวาจาฮกลิดดีนิลกอิมมิงกอบไอยติยาอมุลมารร َ ل َ ه ُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَ إِذِ يَصْدَعُونَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ا ل ْ ق َ ي ِ م ِ مِنْ قَبْلِ أ َ ي َ ت ِ ي َ ة ي َ و م ُ ا َ م ر َ د َ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَ ئ ِ ذ ِ يَصْدَعُونَ ล้ามดุลิเล่เพื่อจะไม่ให้โลกดุญยาใบนี้พังไวเพ <cendo> ื่อไม่ให้โลกดุญยาวบนี้เกิดวันกิยามะหวัยนะเราต้องมนุษย์ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะมนุษย์นี่เป็นสิ่งถูกสร้างที่ดีที่สุดในสิ่งถูกสร้างทั้งหลายเอาล้อยกย่องให้เกรตมนุษย์โรมที่มันดีเพราะมีสมองไง ถ้าไม่มีสมองมันก็เหมือนแมวนั่นแหละเหมือนเป็ดไก่เหมือนรัวพอมีสมองปั๊บนี่กลายเป็นอัลลอฮฺอับลบและนบีมาเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีที่สุดของโลกใบนี้ปัจจุบันนี้ฟาอักติมนี่อัลลอฮฺบอกกับใครนะบอกกับนบีมุฮัมมัดว่ามุฮัมมัดเ อ, อ๋ยจงอะไรจงตั้งมั่นให้แน่นอักติมเนี่ยหมายถึงต้องจงตั้งมัน่น มาจักรมาไปวายืนยืนให้แน่นจงตั้งมั่นให้แน่นจงยืนให้แน่นยึดให้แน่นจับให้แน่นแบบนี้ฝ่อักิมมาจากรมายากมักูหมกุมนี่แหละฝ่าอัอากิมดังนั้นจงตั้งตั้งหน้าวาชิกาก้าไปว่าใบหน้าจงตั้งหน้าของท่านให้มั่นคงมาจึงให้ยึดอย่างมั่นคงอย่าเป็นไม้ปากอะไรปาก ปักเลนอะเงี้ยลองเอนไปก็เอนม า, อาลองไม่มีจุดยืนในชีวิตเลยฉะนั้นจุดยืนอย่างสำคัญนะฝ่าอาร์ิมวะจฮากะจงตั้งหน้าของท่านมุฮัมมัดเออกล้ามาถึงใบหน้าของนบีมุฮัมมัดให้เป็นบุคคลตัวอย่างนะฉะนั้นถ้าใครต้องการจะให้ชีวิตของเขาให้ดูนบีมุฮัมมัดเป็นแบบนบีก็ตั้งหน้าตั้งตาทํางานศาสนาอยู่ในศาสนาอย่างไรดูตัวอย่างตรงนั้น อย่าไปดูคนอื่นเพราะคนอื่นในวาใจาได้ว่าล่ะใ น, นบีนี่ดี렉เตอร์เอาลอ์ให้จิบรีมาคุ้มนบีตลอดเวลานะเอานามาดอยงนี้ดื่มน้ำอย่างงี้ติดต่อกับญาติพี่น้องทําอย่างงี้อย่าทะเลาะกับอะไรนะเพื่อนบ้านนาบีถูกซ้ําตลอดเวลานะ่ะเอาเนี่ยเอาลอ์สัง่งฟ้าอาตีมวะจิฮากะ จงตั้งหน้าของท่านมูฮัมหมัดเอ๋ยให้ทำอะไรลิดดนอยู่ในศาสนานี้ศาสนาอะไรครับศาสนาอิสลามให้ยึดศาสนาอิสลามนี่ให้แน่นและศาสนาอิสลามที่เราเรียนมาเมาืม่ม 30, ม 2, อสามสี่เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะ เป็นฟิ ต, ตุลอเป็นธรรมชาติที่อัลลอ์สร้างกับคู่โลกใบนี้อิสลามแล้วก็ฟอตอนนาสาอะไรฮะอัลลอ์ Allah สร้างมนุษย์มาเนี่ยให้อยู่ในศาสนาอิสลามแต่ใครทำให้ให้เสียใครพ่อกับแม่ใช่ไหมนะ่ะลูกของเขาเนี่ยเกิดมานะ่พร้อมที่จะรับอิสลามแต่พ่อกับแม่เนี่ย อัลลอฮ์พาลูกไปเป็นยิวูดีนอสรลนีเป็นผู้ชากไฟพ่อแม่อัลลอฮ์ให้ยังครับนี่ท่านนบีไม่อธิบายไว้เราก็อธิบายไม่ถูกครันี่นบีสอนนะฉะนั้นอิสลามเป็นศาสนาอัลลอฮ์เป็นเจ้าของสร้างมาคู่กับโลกดุลยาใบนี้สร้างมาพร้อมกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนสร้างพร้อมกับมนุษย์และสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่บนโลกดุลยาใบนี้อิสลาม มาก่อนเพื่อนเลยอ่ะมากกันคู่กับโลกใบนี้เป็นของอัลลอ์ุภานะวะตาลาท่านรางวัลึงมีเยอะมากนะคนที่ยึดอิสลามแยึดอัลลอ์ยึ ด, Allah, ยดรอซูนมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอ์มากพูดง่ายๆตายแล้วไม่ถูกลงโทษนะฟาอากิมวัจฮากะดังนั้นจงตั้งหน้าของท่านโอนบีมูฮัมมัดเอย๋ยลิดดีน อยู่ในศาสนานี้ศาสนาคืออัลกอยยิมศาสนาที่เที่ยงแท้แน่นอนอัลลอฮ์ศาสนาที่ก้อยยิมที่มั่นคงแล้วก็มีเปลี่ยนไม่ล่ะอิสลามเนี่ยเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนตั้งแต่สมัยนบีมุฮัมมัดมาเอาสมัยสุดท้ายเนี่ยนะแต่ตั้งวันนั้นถึงวันนี้อิสลามเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนครับแต่สังคมมันเปลี่ยนเนี่ยใช่ไหมล่ะอากาศเปลี่ยน เปลี่ยนหมดทุกสิ่งทุกอย่างนิสัยคนก็เปลี่ยนนะไรเปลี่ยนหมดแต่ศาสนาเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนครับเห็นอย่างครับและอิสลามเนี่ยจะอยู่ถึงวันกรีมาและอัลลอฮ์ก็อธิบายอีกนะศาสนาอื่นๆเนี่ยเปลี่ยนหมด the youth h r e h o are the dean h ศา ส, สนาอิสลามจะมาเหนือชนะศาสนาคำสอนและที่อื่นๆทั้งหมดถึงคนกาเฟ่จะชิงชังอิสลามแค่ไหนก็ตามลิยุสฮิรหูอัลัดีนิกุลลีฮิวาลาวูกะริฮัลมุชริกูนายาอื่นนะอธิบายพี่น้องต้องภูมิใจที่เราอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์และเป็นศาสนาที่เที่ยงแท้เป็นศาสนาที่กดเป็นธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างมาคู่กับโลกใบนี้ แล้วก็อยู่จนกว่าจะถึงวันามาส่วนลระเทศอื่นๆนี่นะน บ, บีว่าไงนะอุมมะของฉันจะแบ่งออกเป็น73บสพวกแล้วก็มีคนถามว่าลวกลุ่มไหนอ่ะน บ, บีว่าตกตกตกนรกหมดเลยนะยกเว้นกลุ่มเดียวมาอาณาอะลฮิวะอัลฮาบีความรู้ทศาสนาที่ฉันนับถืออยู่กับสราบา ที่นับถืออยู่ปลอดภัยอีก72กลุ่มนั้นตกนรกหมดเลยแต่ ต, ตกนรกแต่ยมบรรดุนยานี่แฮปปี้หมดเลยนะ72กลุ่มเนี่ยอยู่กันอร่อยจริงๆแล้วก็อัลลอฮ์ให้นะมีความสุขมีความสบายมองอิสลามเนี่ยอึดอัดหมดเลยจริงไหมจริงครับแต่ให้ความสบายกี่โลกโลกเดียวลงตายดูสิแค่จับไซโลนเอาโวยแล้ว เองจะพาฉันไปไหนเองจะพาฉันไปไหนอย่างนี้เป็นตน้นอัลฮัมดุลิลลาห์พี่นองครับอิสลามดีไหมไม่ดีดีแต่ต้องยืนจัดให้แน่นนะถ้าไม่แน่นเองก็ก็ไม่แน่นก็ไม่แน่นนั่นละตัวเขาก็แฮปปี้กับความไม่แน่นของเขานะเอาต่อมาครับมิงกอ บ, บลีคือศาสนาอิสลามเลยนะนับถืออัลลอฮ์องเดียวนะสององค์มันได้ไหม ไม่ได้นะถ้าสององค์สามองค์เลยยุ่งเลยนะฉะนั้นอิสลามต้องยึดอัลลอฮ์องเดียวมุฮัมมัดคนเดียวกิบลัดอันเดียวกุณอ่านเล่มเดียวเห็นอย่างเอกเอกหนึ่งหนึ่ ง, ห น, ง, ห, น ง, ห, นงหนึ่งหมดเลยอัลลอฮ์มีองค์เดียวมุฮัมมัดกี่คนคนเดียวคําพิเศุณอ่านเล่มเดียววันกียมมรติมีแน่นอนจริงอิสลามสอนทีนี้ให้ยืนยัดเนี่ยตอนไหนมิ่งกอบเลยก่อนที่จะ อียต้ยก่อนที่จะมาถึงเยาวมนวันหนึง่งให้ยืนหยัดให้แน่นนะครับให้ยืนหยัดก่อนที่วันหนึ่งจะมาถึงวันนั้นเป็นไงครับละมารดาลาฮูมินโลเป็นวันที่เบี่ยงเบนไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้แก้ไขไม่ได้ วันนั้นมาถึงวันกิยามะอัลลอฮ์ใช้ภาษาใหม่ ล, มล้มาลดดาราวเป็นวันที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วเบี่ยงเบนไม่ได้แล้วมั่นถึงวันกิยามะแสดงว่าอิสลามของอัลลอฮ์เนี่ยจะอยู่ถึงวันกิยามะลัตที่ประเพณีอื่นๆนั่นหมดอายุมีวันหมดอายุหมดแต่อิสลามไม่หมดอายุ นั่นขอร้องถ้าใครต้องการจะให้ชีวิตมีความสุขหลังตายยืนหยัดอยู่กับศาสนาอิสลามที่นำโดยท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮอลยฮวะสัลลัมต้องบอกลูกด้วยนะลูกเอ้ยศาสนาอิสลามลูกต้องเรียนนาอันนี้พ่อบางคนก็นอล่ถามว่าลูกถามพ่ออโล่อ ย, อยู่ไหนไยังมาถามเยอะเว้ยกูเอง็จ่ตอบไม่ได้ ท่า น, นพ่อควรงเรียนศาสนาอธิบายให้ลูกฟังด้วยแล้วทำอยู่เรื่ล้มาลดด้ละวันที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นั่นถึงวันอะไรวันตียามะต้องยืนหยัดจุมให้ทั้งถึงวันตียามะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะถ้าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกนะจบอลัลลอฮฺทรยศต่อ อ, อัลลอฮ์จนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกแล้วฉันจะอีมานต่ออลัลลอฮ์ฉันจะจับเนื้อกับตัวอลัลลอฮ์ฉันไม่รับแล้ว เห็นอย่างครับมันมีวันหน้าวันที่วันนี้คุณทำอะไรผิดจะเรียบตอบ้าตัวซะอย่าดันทุรังดือ้อยู่กระทาั่งพอดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิตศตะวันตกเรามาเรียนอิสลามกันเถอะมาหาอิมานเถอะอัลลอฮ์รับไหมนี่พูดผ่านนาบีให้นบีมาสอนอัลลอฮฺอักบัรยาวมาอิดีอัสดดาว ยัสอดดาวเนียยาวไม่ดินแปลว่าวันนั้นพวกเขาได้แตกแยกยัสอดดาแปลว่าได้แตกออกันได้ออกกันได้แตกแยกออกเป็นกี่กลุ่มเป็นสองกลุ่มในวันกิยมามะต้องการจะอธิบายว่ากลุ่มหนึ่งนะ่าเป็นมุมลินอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกาเฟ่เป็นมุสริกกลุ่มเดียวกันยา อยาธารายศต่ออร่อยจนกระทั่งถึงวันกิยามาหนะ์น่ะพอวันกิยามาห์เนี่ยมนุษย์จะถูกแยกออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งอยู่ในนรกอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ในสวนสวรรค์อุว่าอธิบายเลยนะอัลลอฮฺอักบาร์ทีนี้อิบนาอับบัสนี่ญาตินบีนะนี่เป็นยุคสลับนะอธิบายกุรอานคำนี้ว่ายสซดดารุนอธิบายยังไง ยัติฟัดรักูนแปล ว, ว่าแยกออกจากกันมนุษย์จะแยกออกจากกันตอนนี้นะคนดีกับคนชั่วอยู่ด้วยกันใช่ไหมบางทีบ้านหนึ่งมีสองศาสนาใช่ไหมภรรยาศาสนาหนึ่งสามีศาสนาหนึ่งอยู่ด้วยกันได้ไั้มได้แต่สังคมก็ยอมรับด้วยพอตำแหน่งใหญ่พอขึ้นเป็นอธิการบาดีจะทไง เป็น โ, โหหัวหน้าพักด้วยพักเป็นสอสมีสวด้วยเมียเป็นสวอผัวเป็นสอนสอ <c oughs> กระทบกันเมืองนิดกนึงนะ <c oughs> เลิกกันได้ยังไงนะ่ะสังคมเสียหน้านะอยู่อย่างงี้แหละสองศาสนาแต่มาวันกิยามาเนี่ยอยู่ด้วยกันใหม่ได้ใหม่หมดสิทธิ์แล้วฉันให้เฉพาะดุลยานี้อย่างเดียวนาะพอวันกิยามามาแยกเลยครับ อัลลอฮ์ให้คนกาเฟ่แยกตัวออกจากผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แต่วันนี้อยู่ด้วยกันได้ยกเว้นคนที่เข้าใจอิสลามโอ้ถ้าเข้าใจอิสลามแล้วนะภรรยาฉันต้องมีาศาสนาเหมือนฉันแค่เชียร์ฟุตบอลยังมีปัญหาเลยแค่อยู่กับอะไรนะอักีด้าพักการเบืองเหลืองกับแดงนี่อยู่ด้วยกันไม่ได้เลยไม่เห็นเหรอลลอย เอาง่าๆที่เราเห็นอยู่นี่ไปน้องอ้างตุลลองว่าฟาอากิมวจาจักกลิ ด, ดนิลกอยมอัลลอ์บอกกับนบีนะมาหมายจงตั้งหน้าของท่านให้มั่นคงยึดในศาสนาอิสลามนี่แหละเป็นศาสนาที่เที่ยงแท้แน่นอนที่มั่นคงที่สุดเพราะเป็นฟิตประตุลล้ออัลลอ์ให้มาคู่กับโลกดุญญนยาใบนี้และจะอยู่ไปถึงวันเตียม มิงกับลิอ้ายะติอายมุลลารดดลหูมินอัลลอก่อนที่วันหนึ่งมาถึงวันนั้นพวกเขาจะถูกให้แยกออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มเป็นคนดีและกลุ่มคนชั่วอย่ารอถึงวันนั้นเลยเปน้องรออัลกุบัต ตั้งเส้นอธิบายท่านกอตาดาบอกว่าฟารีกุณฟิลยันนะว่าฟารีคุมฟิซาเอตกลุ่มหนึ่งอยู่ในสวนสวรรค์อีกกลุ่มหนึ่งอยู่ในนรกครับแต่นี้คนชาวนรกกับชาวสวรรค์ะเห็นหน้ากันไหมเจอกันเห็นหน้ากันคนชาวนรกก็ในกุรานอธิบายเลยนะเฮ้ยขอหนา้ากินสักแก้วหน่อยสิขอหน้าเย็นๆ น, นะ ชาวสวรรค์ไดนะ้ขอฉันกินหน่อยคนชาวสวรรค์ตอบว่าอัลลอฮ์ห้ามฉันไม่ให้ตักน้ําให้คุณนะก็อยู่บนดุลยาเคยช่วยฉันมาขอหน่อยดุลย์อารอีร่าบอกไม่ได้ไม่ได้ก็เดี๋ยวสมัยนี้ยังมีโทรศัพท์คุยกันได้เห็นหน้าใช่ไหมล่ะวันที่จมาคงมันยิ่งกว่านี้อีกนะแ้องมีโทรศัพท์มือถือเห็นหน้า น, นี่เนี่ยคนรักน่มาดันดิก้าด้วยนะยังคุยได้ทุกวนันน่ะ แล้วนั่นในในในวันกีมาจะไม่เห็นเนี่ยอัลลอฮุดุลยานี่เป็นแซมเปิลให้ดูแล้วฉะนั้นในวันกีมาอยู่ในนรกอยู่สวรรค์คุยกันได้ด้วยนะมีผู้หญิงก็ถามว่าถ้าหากนหนูมีสามีหลายคนแล้วเข้าสวรรค์ทันหมดเลยหนูเข้าด้วยสามีเข้าด้วยจะอยู่กับใครอ่ะในสวนสวรรค์นบีก็บอกโอ้ อัลลอฮ์ให้คุณเลือกเลือกสามีในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยที่ดูแลคุณอย่างดีเนี่ยเลือกคนนั้นแต่งงานแล้วก็นบีก็พูดว่ารู้เปล่าคนที่มีอัคราษงรงามๆเนี่ยนะมันงามทั้งโลกดุนยาแล้วก็งามในโลกอาคีรอด้วยถ้าท่านมีอคัคราษฎรดีๆดีกว่าพี่น้องมารยาถิมบทงามเหมือนใครเหมือนท่านนาบีมหามันสอรอลยลัลลล หลังว่าอาญานี้นะสอนคนให้ตาบ้าตัวนะใช่หรือไม่ใช่การยึดมั่นในศาสนานี้ต้องเรียนหรือไม่เรียนต้องเรียนครับต้องตะบ้าตัวตลอดก็ต้องทําอะไรผิดอยา่าอย่าดันทุรังนะดันทุรังนี่อันตรายมากนะครับมีคนในสมัยนบีอยู่คนหนึง่งอัลลอฮ์มันหมดเวลาเอาอะไรรื่เรียนสี่สบสี่นะ ค, ครับมังกาฟาโรฟาไลฮิกุฟรู ว man عمِل صالحا فلأمفسهم يمهدون من كفَر فعليه كفره و man عمِل صالحا فلأمفسهم يمهدون الله أ ك a ر ัยานี้ตรงกับ จะเตือนนะนะเตือนนบีและเตือนพวกเราที่อ่านกุณอ่านว่าความดีกับความชั่วที่ทำไว้ไม่หายไปไหนถูกรีคอร์ดเก็บไว้หมด <c oughs> <c oughs> คุณอาณ่านอธิบายเองนะความดีที่ท่านพี่น้องทาถูกเก็บไว้ในที่สีแรง <c oughs> อ, อะไรว่าสีแรงอัลลอฮ์เล่าเอง <c oughs> ดินดินดินดินเนี่ย earth แผ่นดินนี่รีคอร์ดเก็บความดีกับความชั่วของแต่ละคนแต่ละคนเก็บไว้หมดเลยผ่านดินอายาหนายครับเยาวมาอีดินตูฮัดดีสุอัคบาระในวันกิยามะอลัลลอฮจะให้แผ่นดินที่เราเดินนี่แหละเล่าเรื่องของเราให้ อ, อลัลลอฮฟังน่าแตกว่านี่อลัลลอฮเล่าให้แล้วแต่มนุษย์ไม่เชื่องนะเรื่องที่สอง อัยาอันยาสุรยาสินอันยาวมะนักติมุอาลาอัฟวาฮิมวัตุกัลลิมุนาไอดีหิมวัวตัชชาดูอัลยุลุห์มอัลลอฮให้มือเป็นพยานและเท้าเป็นพูดได้ให้มือพูดแต่เท้าเป็นพยานมาจากแหล่งตัวเราข้อที่สองเลยนะอันที่สามมาเลกาจะอยู่ซ้ายขวารายงานอกีกข้อที่สี่เอกสารที่มาเลกาบันทึกสี่แหล่งนียรอดไหม ท่านพี่น้องยิ้มมีบันทึกไอก็บันทึกทิดาเขาตาคอมเมนบันทึกที่ดาอัลล์ด่ามุฮัมมัดด่าสุนานานบีบันทึกหมดอ้าไม่เชื่อรอตายอัลลอฮ์บันทึกความดีความชั่วของมนุษย์ในกะี่แรงนะสี่แรงที่ไหนบ้างดินแผ่นดินเนี่ยเอิร์สเนี่ย อันที่สองอยู่ในตัวเรากับมือกับเท้าเราอันที่สาอยู่ที่มล า, ายกิกาอันที่4อยู่ในเอกสารที่มล า, ายิกาบันทึกถ้าต้องการจะลบข้อมูลเหล่านี้ทาไงครับเตาบ้าอย่างอื่นไม่มีถ้าเตาบ้าต้องลิลนะ้นไล่นะอาตาบ้าพเพื่อนเราถึงจะลบข้อมูลที่เราทำความผิดเอาไว้ครับเอาต่อม า, าดูมังกาฟารอผู้ใดที่ทอเร์ยศ คนทรยเยอะหรน้อยเยอะมากเลยฝาอะไรกูฟรูดังนั้นการเปริดกุฟรูบรวาวกการเปริดสเสธของเขาไปไหนตกอยู่กับเขาเองไม่ได้หนีไปไหนเลยไม่ใช่เมียทรามและผัวได้ไม่ใช่เมียทรามก็ตกอยู่กับมีอยู่กับภรรยาถ้าสามีท้ามก็ตกกับสามีไม่ตกไปถึงลูกด้วยนี่คนถามว่า ลูกซีนาเป็นยังไงลูกซีนาไม่พิษมันพิยอยู่ที่พ่อกับแม่ไป น, นอนร่วมกันทาไมละอนจานิก้าได้ลูกมาคนหนึ่งลูกไม่พิษพิษ ผ, ผู้หญิงกับผู้ชายคนนี้เห็นไมไม่ถึงครับก็ถามว่าลูกซีนาเป็นอิมามได้ไมั้ยถ้ายเรียนหนังสืออ่านกูนอานดีก็เป็นในมดนั่นแหละไม่พิษไม่ติดไม่ติดกับใคร เหมือนกัรวันนี้เมันกันคดีอาญาเนี่ยไม่ลามถึงคนอื่นนะตัวใครตัวมันนะรัฐบาลไท ย, ยคดีอาญาเนี่ยไม่ลามไปถึงคนอื่นนะตัวใครตัวมันเอาต่อมาครับมังกาฟรารอใครที่ทรยศทรยศกับใครก็รู้ต่ออัลลอฮ์คุ้มแล้วใช่ไหมฟาไลากูฟรูดังนั้นการปฏิเสธของเขาก็ตกอยู่กับเขา ว่ามันงามิละสัลิฮะผู้ใดที่ทําความดีอุลมะเขาชี้นาดีนะมังกาฟารอในใครที่ปฏิเสธเวลาคู่กับปฏิเสธอะไรนะต้องอามานะใช่ไหมล่ะใครที่ปฏิเสธการปฏิเสธของเขาตกอยู่กับตัวของเขาแล้วก็คู่กับปฏิเสธอะไรต้องอีมานใช่ไหมล่ะ แต่ทําไมอัลลอฮ์ใช้มันอามิลานี่นี่เขาชี้ให้เขาชี้ให้เราเห็นมันต้องใช่ว่ามันอามาน้าใช่มนะเพราะอามาน้ากับกาฟร้อนสับคู่กันไอคนนี้เด้อไอคนนี้อิมานคู่กันใช่ไหแต่อัลลอฮ์ไม่ใช้เขาว่าอามาน้าจะใช้อะไรแทนอามิลาอามิล่าแปลไรนะแปลว่าทํา อันแรกแปลว่าปฏิเสธอันที่สองแปลว่ารทำฉะนั้นการทําความดีในอิสลามเนี่ยเป็นงานที่ประเสริฐที่สุดอีมานมันก็จะกลับมาเองอีมานมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นด้วยการทําความดีเห็นอย่างกับในคุรานนะในอุลม า, อามะเขาชี้นำอัลลอฮ์อ่านแล้วเข้าใจ อ, อัลลอฮ์ครับทำได้ยิ่งใหญ่จริงๆฉะนั้นใครที่มีอามัณที่ซอลและ คนจะมีอามันทีซอนแล้วได้ต้องมีอีมานแต่อัลลอฮฺไม่พูดอีมานพูดอามันที่ซอแนแล้วแทนเพื่อจะเน้นน้ว่าคนมุมินุสลิมต้องมีอามันที่ซอนแล้วอย่างเดียวอย่างอื่นอย่าไปทำยิ้มกับคนให้สลามกับคนอ่านดูอาเยอะๆอ่านกูอ่นานเยอะๆซิกครุลล์เยอะ ๆ, ๆนี่อามันที่ซอนแล้วหมดเลยเอของไม่ดีเนี่ยอย่าทำไอ้น้าเบื่อเบื่อนี่อย่าไปทำมันอามิลซอลิฮันใครที่ทำความดี ความดีไปอยู่ที่ไหนครับฟาลีอัมฟูสีหิมก็ตกอยู่กับตัวของเขาเองถูรีคอร์ดเอาไว้ในกีแรงในสีแรงอะไรบ้างกับน้องก็จำกันอัลลอฮเห็นยังครับอาญานี้เตือนอัลลอฮให้เราได้ทำอำามัมซิซอลแล้วทำความดีนะ่ะคนอื่นได้ไหมไม่ได้อยู่ในบัญชีเราแท้จะให้ความดีไปอยู่ในบัญชีคนอื่นผมแนะนำต า, างนี้ด่าเขาสินินทาเขาซะ พอเลียนทาแล้วด่าเขาไอความดีของเราก็ไปอยู่ในะบัญชีคนอื่นมันมีวิธีอะไรนะทายบัญชีมนะันมีไหมมีให้ว่าเขาด่าเขาตําหนิเขาก็จะเอาความดีในะบัญชีเราเนี่ยเอารถจัดเองนะให้อยู่ในะบัญชีของคนนี้คนนี้คนนี้เพราะเราไปด่าเขาไปเยอะเราไม่ยอมตำหาิตัวเลยนะเรีย <c> ก <oughs> ว่าฉันเจ๋งเอาต่อมาครับ ย้ำฮาดูย้ำฮาดูนี่แปลอะไรไปน้องครับแปลว่าสับเดิมแปลว่าเพลสซับเดิมแปลว่าอะไรนะเพื่อตัวของเขาเองย้ำฮาดูย้ำฮั ด, ดีแปลว่าเตรียมที่พมนักเอาไว้เพื่อตัวของเขาเองมาดูแปลว่าเพล มาดูนแปลว่าที่พํานักท่านคนที่ทําความดีเนี่ยเขาได้จัดที่อยู่ของเขาเตรียมเอาไว้ให้กับเขาในโลกอานสุรอดหมายถึงอยู่ในสวนสวรรค์ของาาอัลลอฮฺสุภาพนะฮูตะลาอัลลอฮฺดีได้ไม่ดีจะท่านความดีที่เราทํานั้นนะยิ่งทําดีเยอะๆเป็นการเตรียมที่อยู่อันสุขสบายเตรียมเอาไว้ให้กับใครให้กับตัวเอง ฉะนั้นการได้ว่าการเชิญชวนคนทั้งบริักอิสลามจึงมีรางวัลเยอะมีนบีอยู่คนหนึ่งที่สอนศาสนาแล้วเมียไม่เชื่อมีเป่าสอนร่วมตายอ่ะเมียตัวเองยังไม่เชื่อนบะีอะไรแต่ผลระบุญในการสอนมีไหมมีฉะนั้นต้องการจะเตือนพวกเราว่าสอนศาสนานะ่สอนไปเถอะมีรางวัลตัางหากคนเชื่อไม่เชื่อไม่ ใ, ใช่เรื่องของคนสอนนะ คนสอนไม่น่าที่สอนใครไม่เชื่อก็เรื่องของเองเองสอนหนังสือไม่เกง่งแล้วคนไม่เชื่อไม่ใช่ไม่ใช่ใชรางวัลในการสอนมีไหมมีอย่างน บ, บีอะไรน บ, บีนว่าหนาสอนเยอะเมียเชื่อเปล่าลูกเชื่อมัสน บ, บีนว่าผิดสิไม่ผิดครับทําหน้าที่ครบบริบูรณ์มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์แล้วอลัลลอฮ์พี่น้องอกขออนิดหนึ่งพี่น้อง ชีวิตอยู่บนดุนยาใบนี้ถ้าจะไม่ให้ทำอะไรผิดต้องยึดกุรานแล้วก็สิ่งที่จะให้ตัวเองปลอดภัยจากนรกต้องมีอามันท่ซอลและในกูโบบนดุนยานี้จะให้ชีวิตของเขาปลอดภัยยึดอะไรยึดกุรานให้แน่นจะให้ชีวิตปลอดภัยจากการลงโทษอยู่ในกูโบต้องมีอะไรไปนะอามันท่ซอลและนี่อาญาในเตือน ขับมเลับ سبحانه อัลลอฮฺมะวะบิัมกะ أشهد والله ิลล๊าห์ิลล๊าห์ันตะัสตักฟรุกะตบุิลย